รียบเป็นสิ่งที่จําเป็นคนบม่มากไม่จําเป็นเฉพาะบุคคลอยู่คนเดียวจะต้องระเบียบสร้างระเบียบคนเดียวคนหลายหลายคนที่ต้องมีระเบียบอย่างพระวินยัยพระวินัยไม่มากสมัยก่อนเนี่ยนิดเดียวพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่มากขึ้น นากขึ้นบางคนจังจะทําอะไรก็มันมีหลายเรื่องบางคนอยากจะทําอย่างนั้นบางคนอยากจะทําอย่างนี้มันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเดี๋ยวนทุนมาพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งข้อกติกาคือข้อพิจารในสป็นไ้อีกให้ก็เป็นข้อปฏิบัติไปอีอยู่ไปนานๆไปก็มีคนบางคนก็ทํำกันมาอีก ก็ตั้งข้อปฏิบัติข้อระเบียบขึ้นมาอีกหลายอย่างหลายอย่างอย่างนั้นพระดีนายจริงไม่มีทางสิ้นจบด <c oughs> หลายล้านที่ขาบทแต่ก็ยังไม่จบถราดีนายไม่มีทางจบลงได้ <c oughs> ไม่มีทางจบหรอก ควมี่ไม่มารจบอย่างนั้นพูดมาถึงเรื่องธรรมะพูดม้เรื่องธรรมะจริงมีเรื่องจบคือการปล่อยวางเรื่องประเบียนยงเนก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบสมัยหนึ่งธามาไปบริหารใร่ไห สามองค์สี่อไอมะที่เห็ที่ห<ม>น้าพระประธาน<อ>ไปอยู่ในปา่าเขาเพราดีไฟที่ไม่เคยจะมี<อ>บ้านปา่าโค้งหนึ่งผู้ใดนักซื้อธรรมะมาอา่านอ่านอยู่ที่หน้าพระประธานที่ทำวัดกันผ่านลดเอาทิ้งเมอนี่ไนี่ไปนี้ไปไฟไม่มีมันก็มืด ถ้าองค์มาที่หลังก็มาหยักหนังสือเนี่ยจัดหนังสือคุณโดยวายกันเลยพระ อ, อ, องไหนเนี่ยไม่มีสติด้วยเนี่ยทําไมมันดูจับพี่เก็บหนังสือเนี่ยออืมอะสอบสวนถามก็ไปถึงท่านนั้นถ้าองค์ันก็รับปากหวัง <c oughs> ผมเอาหนังสือเด็กนี้ไปในนี้ทำไมท่านมันดูจากพี่เก็บหนังสือนี้เนี่ยผมโลนมาผมหยักหนังสือเนี่ย เราไม่ว่าคือเอออันนั้นมันเป็นเพ่อท่านในสังรวมตัางหากหรอกเนี่ยเห็นไหมละ่ะนั่นก็เหตุผลในี้นั่นพร่อท่านในสังรวมท่นทานจึงหยาบหนังสือเนี่เพราะท่านไม่มีที่เจ็บไม่รู้จักที่เจ็บหนังสือท่านจึงเจ็บไปอย่างนี้นี่ตรงนี้ท่านในสังรวมไม่เป็นพ่อผมหรอกเป็นพ่อท่านในสังรวม ถ้าท่านสังรวมแร่กระคงไมหยาบหนังสือเรื่องนี้นี่เหตุผลเลยได้ไหมนีนน่มันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันมันเกิดเรื่องทะเลาะกันนี่ไม่จบนี่เรื่องเหตุผล <c oughs> นี่เรื่องธรรมะเรื่องธรรมะที่แท้จริงน่ะต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่า น, นั้น ธรรมะที่พระพุทธเจ้าองค์การกัตตรู้ร่างนักจีเรตทั้งหลายได้นะมันอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุยุ่เหนือผลยู่นอกเหตุเหนือผลอีกอืย่างนั้นทุกข์มันถึงในนดีสุขมันถึงนี้ทําำนั้นท่านนี่ว่าหลังนัะ หลังก็งเหตุหลังก็งผลถ้าได้เหตุผลเลยอย่างนี้เพียงมันตลอดตายเด่นั้นถ้าสององั์เนี่ยนะผมเอาหนังสือใบนี้ดูอะไรผมเอาใบนี้ท่านเอาไว้ใ น, นี่ได้ในหนังสือนี่ท่านไม่เคารพผมมานี่ผมเดินมาเหยียบหนังสือเห็นไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของคุณคุณในสังรวมตัางหาถ้าคุณระวังถ้าคุณสังรวมคุณก็คงไม่เหยียบหนังสือเรื่อนี้ ใช่ไหมนะเนี่ยถ้าเอาเหตุผลกันอย่างเนี้ทะเลาะกันก็ทั้วันกันตัวจนตายทำนี้ไดีกว่ทาทำไม่ทํามีเหตุผลไม่สมะโกนรนับไอทำที่พวกเราศึกษาเดี๋ยวนี้ยต้องให้จิตของเรามันรู้เหตุผลแล้วสุขมันเกิดเพราะเหตุอันนี้ก็ ร, รู้ทุกข์มันเกิดเพราะเหตุอันนี้ก็ ร, รู้อย่างนี้อืม ถ้ารู้จักมันเกิดมันก็เกิดทีเกิดฝนเกิดเหตุเกิดฝนนี่ตลอดเวลาไม่จบทำที่พระพุทธองค์ท่านก็นนจะรู้ว่ามันละเนาะต้องอยู่เหตุอยู่เหนือเหตุนอกเหตุเหนือฝนนอกเหตุเหนือฝนนอกสุขเหนือทุกนอกสุดเหนือทุก นอกปิดเนื้อตายนี่ธรรมนี้ไม่เป็นธรรมทีหรอกนะไอคนมันก็มาสงสยัยอยูนะ่นี่ไงป้ชาเนี่ยยิ่งสงสัยมากละยิ่งตัวสาคัญแล้วมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะตายเหร อ, อมันจะตายเลยเออมมไม่ใช่ธรพรุตถาภณฑ์มีธรรมคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปกระนั้น ถ้าไปถึงนี่เนี่ยฉันนี่นนสุขแล้วเกิดนี่ไม่ได้ฉันนี่ทุกข์แลเกิดไม่ได้ต่อไปฉันนี่ไม่มีสุขแล้อไม่มีทุกข์นี่คือมันหลับแล้วสงสัยไม่มีตรงโน้นมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมั้นจะมีอยู่ที่ตรงเราปฏิบัติไปเรื่อยๆสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้ สุขนี่ระสักว่าสุขทุกข์นี่ระสกักว่าทุกเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ในแต่ตัวตนเราเขาทํานี่เกิดขึ้นเนี่ยดับไปนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยดับไปทั้งนั้นเจ้ า, เอ า, เ, อาเอาอะไรกับมัน่ะอืยเนี่ยสงสัยทําไมมันเกิดอย่างนั้นเนี่ยอืเมื่อเกิดถ้าทําไมมันไปงั้นล่ะสงสัยอย่างเนี้ย มันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันคือมันไม่มันมันทําที่มันเกิดทไม่ระงับปีของมันไอ้ความจริงทำที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้นะ่ะทำนี้นําเราไปสู่ความสงบความสงบที่เดียวสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่นี่เราเราชอบสิ่งที่เราชอบใจ ไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดเนี่ยทํำนี่ไม่ใจทำหรอกับทำนี่ทํากอดทุกข์ขึ้นม า, าให้ใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสยัยตลอดเวลาว่อนี้ฉันฉันได้มาแล้ววันนี้อพรุ่งนี้ทำไมมันหายไปแล้วมันหายไปไหนแล้วี่ฉันนั่งดูวันนี้มันส่งดีเล็กเคินวันที่ทำไมมันหายไปแต่กูเบื่อตายอย่างนี้ก็เพาะเราไม่รู้เหตุของมันนี่เอ ทันไม่ปล่อยอันนี้เพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้อ่าแค่มันมันเป็นของมันอยู่นี้วันนี้มันสงบแล้วก็ไม่แน่นอนเนาะเนี่ยเราต้องโทษมันอย่างนี้สงบแล้วก็ไม่แน่นอนอืมฉันมยึดมันไม่สงบก็สมงบเถอะอืมีกผู้นี้พูดว่ายไม่สงอทําไมสมมตินี่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเนี่ยฉันไม่ว่าอืม่า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 วุ่นวายฉันก็ไม่วุ่นวายฉันก็สงบไม่ว่ามันมันจะสงบฉันรู้ว่าเออมันเรื่องความจริงฉันดูมันแค่นี้น่ะดูเรื่องมันวุ though, ่นวายดูเรื่องมันสงบดูเรื่องมันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นประมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นประมาณเลยนี่สบายเลยทีน มันก็สบายเนะี่ยทีนี้รู้เรื่องความสงบที่งที่มันสงบนี่สงบเพราเรารู้เรื่องเหมัอนนั้นไม่ใช่ว่าอไม่ใช่ว่าเราอยากจะในเรื่องอันนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันสงบเพราเรารู้เรื่องเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่การต่อยวางเราคิดดูที่ว่าไอเรื่องเราเกิดสงบเนี่ย คนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกๆคนต้องทําให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายเจะไปอยู่ที่ไหนสบายมัเอเออเอ้เออคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนต้องทําให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกใจเขาพูดถูกใจเรามีไหม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 เอาปีของพ่อเอาปีจะสบายไหมฉันต้องพูดคุณต้องพูดในตูกใจฉันแล้วคุณก็ต้องทําในตูกใจฉันฉันจึงจะสนุกถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สนุกคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่ไมีความสบุบเพราคนหลาคนใครจะมาพูดใูกัวใจเราทุกคนใครจะมาทำมํำในนี้ทุกผลมันไม่มีแล้วกันนี้ นี่มันเด็ดธรรมะแล้วต้องต้องสื่สารอย่างนั้นีฉะนั้นมันจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์เก jem เกิดขึ้นมาอดอดอดอดทนต่ออารมณ์เก jem เกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมัน่น อ, อย่าไปยึดมัน่นยึดใหญ่มัน่นจับมาดูแลรู้เรื่องดีก็ปล่อยมันไป อ, อ, อย่างมานี้ อย่างนั้นตัวอยู่นี่เห็นไหมัมนทําอย่างนั้นมันถูกใจเราไหยบางทีก็ไปในในในวัดและก็เข้าในห้องน้ําแล้วชันจะพรมทั้งขาอย่นี้แันไม่ยืนี่แล้วจะท่องไปดูวส่วนออกออกเอเอาแ้วท่องในมันนี่มันกระตอมมาแล้วไปทำนี่ถ้าเราไม่กวเช่นนั้นทําอย่างนั้นเมื่ออะไรเราจะสบายเพราะคนมันเก่งมากอยู่แล้วนี่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 อารมณ์ของมันกันแห็นนั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีมันก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งอยู่ที่นี่กันจะทำไห้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมีมันไม่ได้ไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าโคมโคมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นานๆจิดตัง หน้าหน้าจิตต่งในเหมือนกันเราก็ต้องจําเป็นจะต้องวุดมของเราทุกๆุกคนเมื่อมันโกรธขึ้นมาดูว่าโกรธโกรธที่มันมาจากไหนต้องให้มันโกรธด้วยเปล่าแต่มันมันดีไม่เคยถึงชอบก็มาเ่าทิ้งไปทิ้งมันทามันโกรธมาแล้วไม่ดีไม่ดีเราเก็ไปทำไมก็เป็นบ้ากันั่นนู้นถ้ามันโกรธมาแลกกว้วไปทิ้งมันดิถ้าเห็นว่ามันไม่ดีเอารมณ์นั้นเราควรจะไปในํานองนี้ ใจในทางดังนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันมากมา ก, มา ก, มากนะมันไปยิ่งให้ความศึกษาเรามากที่สุดแล้วให้มันรู้วายซะก่อนู้เรื่องของรู้วายแล้วมันจะ ถ, ถึงความสงบเช็นนี้ไปที่ไหนก็ช่างมันพระอานุนกับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนไปริทฐบัตร บ้านมิชาจิติพอไปถึงหน้าบ้านพระครูตะพายหวาดยืนชู่งทำคนสบายเพราะฉันเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยเฉมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นร้ายเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็น้ไรให้ยูงี้ชู่ง ถ้าอารมณเดินย่ำเท้าขึ้กับขึ้นกับขึ้นกับอายนะคิดมาเมรพระพรงโจอยู่ตางไหนทั้งเขาไล่หนีทั้งเขาหนื่อยก็ยังทนอยู่มันมีเกลือใจอะไรเล้อให้ก็ทนอยู่เพราะพระบวชุ่มจนกว่าสุภิสัยแล้วก็ไป บางทีเ้าก็ให้ให้ด้วยฐานที่ไมร่ก็รบพระพุทธเจ้าก็เอาไม่ให้พระพุทธเจ้าก็เอาไม่ก็เอาเนี่ยแต่ทีทนี้พอทำอย่างนี้คือคนยังไม่ดุจักพอมาถึงอารามกราบพระโต้ข้าแต่พระรู้มีพระภาคเจ้าไอ้ตรงไหนที่เ้าไม่ใส่ตักวาทให้เราจะไปเยิ่อยู่ทำไม มันเป็นทุกข์ท้ายที่อื่นเขาไให้ก็กรีบไปให้ดีกว่าถ้าถ้าพระเจ้า อ, องค์กต่อาโนมตอนนี้เรายังไม่ชนะมันถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะอย่างเนี้ยถ้าเราชนาอยู่ที่นี่ไปที่อื่น ก, ก็ชนะแล้ว ถ้ามันชนะไม่ชนะไม่ดูเรื่องไอยครับใช่ดูค้วยไอ้ครับไอ้ทำไมอนุนี้มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเราดูอยู่เขาก็ไม่ให้ไม่ให้นวปะมันจะเป็นอะไรอนุทายไอ้ทำไมไม่ไอ้เขาตัตนแต่ก่อนไอายต่อบาปไม่ดูอยู่เฉย่วยมันเป็นบาปที่ไหนไหมอนุ เราจะต้องทำมันดีแบบนี้ถ้าเราชนามันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะถ้าเราอยู่นี่อานุจะไปไหนเขาไม่ให้ตรงนี้ก็ไปโน้ตถ้าไปโน้ตเขาไม่ให้ยังนี้จะไปตรงไหนอานุไปอีกไปบ้านโน้นดีบ้านโน้นเขาก็ไม่ให้จะไปตรงไหนไปตรงโน้นดีโน้ตไปไม่ได้หยุดเลยนะน่ารำไรอานุ ถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันต้กงไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะทั้งนั้นนี่อารมณเข้าใจสิแล้วไม่ต้องอายนีย่ก็องค์จัดว่าอะไรมันเป็นบาป น, นั่นท่านเนี่ยอายอะไรที่มันไม่เป็นบาจายทำไมให้อายผมว่าท่านอภิญญายา ย, ยังไม่เป็นอายอย่างนั้น <c oughs> ยังอย่างนี้จิตประชาชนเดืดอดร้อนอันนี้เราเป็นกันเมื่อเราอยู่อย่างนี้อื <c oughs> เราจะไปอยู่ตรงไหนก็น จ, ะจะมีปัญญาอนะืไปอยู่ตรงไหนจะมีปัญญานะจะไปอยูคนเดียวไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้คนสบายชันว่าไอเจริญวงศ์ยิ่รื่องสบายอยู่ที่ว่ามันไม่มีปัญญา ถ้าถูกอารมณ์แล้วปัญญาไม่มีเป็นทุกข์อย่นนะั้นเพราะนั้นเราอยู่ในโลกเราก็ต้องมีความสําคัญกับมนุษย์ด้วยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นเมื่อพอเป็นไม่อยากจะอยู่มันไปอยู่เป็นไปนอยู่อย่างนั้นะอันนี้ก็เป็ น, นในเรรมาพิจรารณาอย่างนั้นเราไม่ต้องกลับย้อนกับมาพิจารณาอารมณ์ท่านท่นานตัดว่า นินทาสันเสริมมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทา เ, เรื่องสันเสริมเป็นคำของโลกอืถ้าไม่ดีก็ฝร น, นินทาถ้านี้ก็ฝรสันเสริมเป็นเรื่องคำของโลกพระพุทธองค์ท่าเห็นนินทาเห็นสันเสริมจนยันสันเรสเรสในมันรู้จัก ต้องเรียนินมนทาให้มันรู้จักทุกอย่างอืให้มันรู้จักอันบุญเสวนกับนมิมทาฉันบุญเสวนกับมิมทามันก็มีมผลเหตุผลเท่ากันถ้นาเราก็ไม่ชอบนี่เราไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสันบุญเเราชอบไอ้ที่เราชอบมันมิมทาเราทุกข์มีไหมช่วงนั้ เรามีก้อนเพชรกรอนหนึ่งเราชอบหลายชอบตัวก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้ากำนวดมาหยิบก้อเพชรไปมันมันจะเต็นไงไหมนัม่นน่ะของดีมันหายมันคือสันเสริมแล้วก็ถูกมินทามัง่งถูกสันเสริมมั่เป็นเรื่องธรมรมดาของมันอยู่แล้วเม่ต่องพรต่างนทนทนต่อสู้ให้เรามีสติสติคุ้มครองจิตของเรา สติคือความระลึกได้ธรรัจจัญาคือความรู้ตัวว่าอั น, นช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่สติละเอีมากกว่าทนี้เมื่อบอดี้ตั้งจจจับในเท้าสติเมื่อเราจับในเท้าอยู่เด่นเราก็รู้อยู่ว่าเราจับแต่เท้ามันมี่งธัจจัญญานี่นี่ ถ้าเราอยู่รู้อยู่ในคณะอันนี้คณะเมื่อจะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็มีความรู้ตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นอันนี้แหละมันจะช่วยประครับประคองจิตใจของเราให้รู้ธรรมะอันแท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเฝือนไปสักนาทีก็เป็นบ้านนาที เราบางทีสติสองนาทีก็เป็นม้าสองนาทีเราจะครึ่งวันครื่งวันเราไม่มีมสติเลยก็เป็นม้กอยู่ครึ่งวันเ น, นี่ยหนึ่งตรนี้สตินี้อคารู้ตัวไม่มีสติคือควไม่รู้ตัวสตินี้ควาระลึกไดไ้เราทำอะไรเราลกไม่ได้ว่ า, าจะพูดอะไรจะทำอะไร เราทำอยู่เราไปรู้ตัวอยู่อืจะทำอะไรก็ระเลือกได้อยู่อย่างนี้มันจะมีอะไรไหมคล้ายๆกับเาขายของอยู่ในบ้านเราอืเราจะดูข อ, ของของเราอยู่แล้วคนมันจะเ้มาซื้อของหรือมันเป็นขโมยจะมาขโมยของของเรา ถ้าเราก็กดลายมันอยู่เสมอแล้วเราก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทําไมลงจับอาวุธเราอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยเรามองเห็น ไ, อ, ไอ้ขโมยมันมันเห็นหเรานะ่ะมันก็ไม่กล้าจะทําเราถ้ามัน้าไปยิงที่เราขายของอารมณ์ก็เหมือนกันสติเรารู้มันอยู่มันทําอะไรเราไม่น่าเลยอารมณ์ไม่จะทำให้เราดีใจนี่ อันนี้นี้ไม่แน่นอนครับหายไปจะไปยึดวัตถุมันทําไมอันนี้ฉันไม่ชอบไม่ใช่อันนี้ก็ไม่แน่นอนนอกเนี่ยอย่างนี้อารมณ์นั้นมันก็เป็นโมฆะท่านนั่นเราสอนตัวของเราอยู่นี่เรามีสติอย่างนี้เนี่ยเราผู้รักษ า, านี้ไปเรื่ยไปทไําไปเรื่ยไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนตอนไหนก็ตามเถอะเมื่อเรายัางมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่ การภาวนาอยู่นั้นไม่ใช่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวดูดูดดดไปเราก็รู้จักนั่งอยู่เราก็รู้จักนอนเราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอมีแต่มีความประมาณเราก็รูรร้จักไม่มีความประมาทเราก็รูรร้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้เนี่ยที่เรียกว่าคุถูเรารู้ี เห็นนำมาพิจารณารู้มันก็รู้จากเหตุผลของมันรู้เรื่องไปคอยดูเรื่องยกตัวอย่างเช่นว่าชาวตะบันตกก็อยู่กับประเทศไทยอยู่ไปเทศนึงเดี๋ยวนี้ให้ความอยู่ติดติดกันไปภาษาไม่รู้ก็ตามจะมันดูเรื่องกันเห็นไหมมองรู้มากันเลยดูเรื่องกันนะแต่ภาษาไม่รู้ก็อยู่กับกันไปได้ อย่างนี้มันรู้กันดูวเธียอย่างนี้ไม่รู้ภาษาแต่มันรู้เรื่องกันนี่เราก็อยู่ด้วกันได้ไม่ต้องพูดกันทางเงนต่างกรมต่างธรรมในเมืองไทยกับบนนอกทําำให้ใกล้กันเดินะไม่รู้จักกันมันก็รู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยเจตธรรมอักขริยาที่ว่าให้รักกันได้ชอบกัน อื่อะไรเมื่อรู้เขามันอยู่ไหนเป็นอย่างเงินมันก็เหมือนกันกับแมวกับสุนัขมันในรูปภาษากันแต่ว่าแมวมันก็อยู่จักลักษณะเหมือนกันอื ม, นมันเรีนมาเขียดกัน <Power Listen> <laughs> อย่างนี้ใชมอย่างนี้มันอยู่จักมันรู้เรื่องแต่มันไรู้ภาษา ยามเราเป็นเจ้าของบ้านแมวดูสุนัขมันอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านนะไอ้สุนัขคงจะวิ่งไปทําความขอบคุณเลย น, น ะ, นะถ้าเรามาจากตลาดหรือ ม, มาจากที่อื่นก็ไปถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเราสุนนัอยู่่ทีาาเรามันจะมาทําความขอบคุณ มันจะร้องมันจะตัวน่าเสียดมาเสียแต่ภาษามันไม่รู้ใจจิตมันรู้อย่างนี้อันนี้เราไปอยู่กันไปได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเหตุหนึ่งนะอันนี้เราเข้าใจเข้าใจกันอย่างนะเราปฏิบัติไตรธรรมะบ่อยๆนิดมันก็คุ้นเคยกับธรรมะชัหลายความโกรธมันเกิดขึ้นมาหลือมันเป็นทุกข์ถ้ากันมามันเป็นทุกข์มาแล้ว เป็นทุกข์ประจัญชอบทุกข์ไม่ชอบเอาเไว <c oughs> ้ทาไมถ้าเราชอบจะยึดทำไมทำไมเที่งันที่ถ้าทุกข์มันเกิดแต่คุณทำไมต้งยึดมันไว้ยึดไว้คุณก็เป็นทุกข์เทนั้นคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบทุกข์ยึดไวทําไ ม, ไมก็เที่ยงวันที่ต้องสอนประวัน สัวนสอนึ่งมีกับรูปกับไปรูปกับไปรู้กับไปเนี่ยบางทีทุกข์ันเกิดขึ้นมาทกอย่างนี้เราก็รู้จากคาสอนโอ้ อ, อันนี้ทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกข์แต่เราไปยึดมั่นในทางนี้สอนที่นีด้วยบางทีเ่าเห็นชัดเห็นชัดก็่วาก็ ว, ว่ายๆวางไปก็ไป เ, ปเื่งธรรมดาอย่างเกา่าที่นีก่ก็ดี สองทีก็มีสามทีกมีเรเกิดประโยชน์แล้วเกิดสู้รู้เรื่องกันแล้เมื่อเกิดความรู้เรื่อ ง, องแต่เท่าตัวของเราเราก็นั่งอยู่พอดีเดินอยู่พอดีนอน อ, อยู่พอดีพูดภาษาไม่เต็มเปลี่ยนจิตเราลู่ภาษาธรรมะนี่ยเราจะพูดว่าอ่าจิตตรงนี้ไว้ติดปากนี้ไว้ ปิดปากนี่ไว้ปากกายเปียกปดปากใจนี้ไว้ยิ่งใจมันพูดอย่าง น, นอย่างอีใจพูนั่งยองยิงมยียมยิ้งพูดดีดีพูดกับอารมณ์รู้อารมณ์นี่เดี๋ยวาปากในนั่อยูนย้ไม่รู้จักไม่ต้องพู ด, พ, ดพูดอยู่ข้างในข้างในพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างใน รูอยู่ข้านไม่ใช่คนโม่คนรู้อยู่ขํางในรูน้จากอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้โว้นกันกับอายุชีวิตของเรานี่เกิดมามีกา ร, รยกเรเดื่นีวันคืนของเราเนี่ตนตนยตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันยกระดัอายุเราไหมวันคืน มันไม่ไม่ว่าละเกิมดมาวันนี้มันก็ให้แจผู้มีมันก็ให้แจนอนแบบอยู่นู้นก็ให่แจเดินอยู่นู้นก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมั น, นม เ, เนี่ยสมันทรงเหเดือยเตือนที่เราเกิดวันนี้เราจะนอนอยู่มันจะทำงานของมันอยู่เราจะเดินก็ทํางานคนะือความโตของเราเนี่ยโต ใหญ่ขึ้นมามันก็โตอยู่กลางวันมันก็โตกันงคืนมันก็โตออนี่เดียววามันปฏิภาคาของมันมันจริงทําให้ยคนโตี่ไม่รู้สึกดีนั้นเราม่ไอะไรเลยมันก็โตของมันเองแต่สิ่งที่เราทำของคือเราเราทานอาหารทานข้าวน้ำนั่นของเราเป็นเรื่องของเราเรื่องร่างกายมันจะโตดะว่องขึ้มันก็เรื่อง มันก็เป็นของมันเรล่าการทำ ง, งานของเรางาขงารมันก็ทำ ง, งานของทหารมันในทิศแพร่รกะจามีปฏิปทามาติดต่อกันอยู่เสม อ, อการทําเพียนของเราเหมือนกันอย่างนั้นต้องพยายามต้องพยายามอย่างนั้น่น <c oughs> เราจะต้องมีสติติดต่อกันเสมอมีความรู้ติดต่อกันเสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้า ก, ก็ได้ จะนั่งอยู่ก็ได้จะทนอาหารก็ได้จะวางหมออ่อ่ก็ได้ไม่ต้องมีมีความ ร, รู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยๆใจทางในมันจะพูดอดยดู่เรื่อยๆอยู่อย่างนั้นมีควมรู้อยู่มีความเตือนอยู่มีความโบิกบานอยู่สมองจะรู้อย่างนั้นนั่นคืว่าเป็นประโยชน์หน้า ไม่ต้องขงส่ายอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าเอออันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่ที่ให้อาหารมันอันนั้นเกิดขึ้นมาเอออันนี้ไปที่แต่ว่ามันไม่แน่นอนหลือมันไม่ที่เท่านี้เรากระลึนขอไปด้วยด้วยด้วยด้วยตอนนั้นเนี่ยการปฏิบัติของเรานะอ่าเรนิ่งอยู่อยู่ดี เดียงถามว่ามันคืนอี้ว่าอ่าถามทัศนียตวัวเขาอยากจะรู้ว่าจะทําให้รู้จักกฎเกณฑ์ว่าจะทําเวลาเท่าไหร่เวลาห้านาทีรู้สิทิ์นาทีอธิษฐานไว้เรื่องอธิษฐานไวนน้เขาอยากจะทําให้มีกฎเกณฑ์หนึ่ง อ น, นี้เรื่องมันรักตัวอยากจะทาตามแบบทามันเคลื่อนจากแบบมันได้แล้วอยากจะทําตามแบบอันนี้เรื่องการอธิษฐานอาตมาเลยบอกว่ามีแน่นอนอธิษฐานบางทีถ้ันจำนึฉั น, ฉ น, น, ฉ น, นจะนั่งจะสามจมูกบางทีแม่งคิดนาทีก็เดือดร้อนแล้ว ไ ม, ไม่เรื่องโฉนอย่งนี้ไปแล้วเมื่อนี้ไปเรื่งคิดหแหมเราเนี่ยพูดวก อ, อกตัวเราเองว่แต่โทษเราอยู่บางทีเราโทษต้องบอกหนึ่งว่จาจุดอธิษฐานปิตใจว่าไฟหยุดทุกดอกเนี้ยไม่หมดฉันจะไม่หลุดหนีเลย <c oughs> ฉันจะพยายามอยู่นี่ไง พอดีทีช่วงเวลาใจพอทางพู้เนี่ยมีพยาบาลมาแล้วจุดถูกปั๊บก็ไปนั่วเน็กนั่งโอ้ยมันถูกหลายดเด้วยเดี๋ยวรถมันสมมติัดเดี๋ยวอยู่มันสมมติัดอะไรได้วุ่นเป็นแม่นะเดี๋ยนี้ไปแต่เรายะอธิษฐานแล้วนะตัดอยู่มันสงสาลกุกนึกว่านานเต็มทีแล้วมันจะตาย เดียตาโตมาดูปัปะถูนะยังไม่ถึงขึ้นเลยดัดมันไปอีกอิฐานใหม่ต่อไปสามทีสี่ทีก็ ท, กทุก็ยังไม่จบเลยก็เด็กออกมาโอ้ก็มาคิดเนี่เราเมันไม่ดีรือตัวนแล้วมันกลัวหอบกลัวเชยเลยเรื่องไปวิ่งกูเกาอีกแล้วเราเนี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนตีใจไรเป็นคนกลัวหอบกหอบพระเจ้า โกหกพระพุทเจ้าโกกตัว เ, เราเองเกิดบาปสมไมนี่อาจารมาเห็นว่าต้องพยายามทําไปเรื่อยๆพอสมควรที่จะเลิกเราก็เลิกมาบอกนะเหมือนกันกับเราทานข้าวเราอาศัยฐานทํางเมื่อไรทา น, น, ออ ท, านทานไปทานไปมันจวนใจหยิบจยกอแล้วก็เลิกมันเท่านั้น มันไปมากแล้วกวอาเจียนดอกทานั่งแหละเนี่ยห้นั้นพอดีอย่างนั้นเคลื่อนนั้นต้องวาคืนนี้่พอข้าเปลี่ยนต้องรู้จักกําลังโคของเรารู้จักกําลังเตียนของเราโคเรามีกําลังเท่าไหร่เปียนจะมีกํำลังรัดนั้นหนักเท่าไหร่ไหมต้องรู้จักต้องเอากําลังโคของกําลังเปลียนคนนั้นจะข้อมเปี่ยนก็ต้องรู้จักเปียนของเราว่ารัดนั้นหนักประมาณเท่าไหรอย่างการสัญญาของนาที เรามีเปลี่ยนลําเดียวน่ะอยากจะลันทุกหนักให้ขนาดรถติลดล้อพังหมดทั้นั้นเนี่ยตายเลยนะต้องค่อยไปอค่อยทำอย่างนี้ให้ลูกจับของเราสติปัญญ า, าเราเดินตามไปเลยได้เนี่ยสบายอมันวุ่นวายกว่าตั้งใหม่มันมื่บวายไปกว่าตังใหม่ถ้ามันมุ่นวายจะเดินขึ้นลุ ก, กเดินไปปูบด้วย เดินไม่ด่าไงเพรนื่มานั่งนื่องกำหนดมันเหนื่อยมันก่สงบแล้วครับถ้าเดินก็พอแรงเนี่ยนั่งก็สมควรนอยากจะพักผอนก็พักผอนซะอย่างนี้แต่ละจิตจะ่าลืมมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนอยู่ในสานต์ตัวหนือยอย่างนั้นที่เราเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติปฏิบัติไม่ต้องเย่ะเย้ย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 ธรรมชาติของมันอย่างนี้นอยากใจมันเรยวที่สุดนั่นไม่ใช่ธรรมะมันคือความอยากของมันคือความอยากของมันเราจะทำตามความอยากของเรา น, านั้นไม่จบไม่จบใถ้ดูจักดูกดระบาดของพระอนุ์พระอนุนั่นมันมีศรามากที่สุ ด, ด พระอนุอพุ่งนี้เขาเจ็บกำหนดพระอรหันทรทำสังขยาและพรบคณะสงฆ์ใ น, นกำหนดพระ อ, รอนุนองหนึ่งจะเอาทำสังขยาแต่เอาล้วนเอาเจ้พระอหรหันต์ตนั้นพระอนุนเรียงคืนเดียว <c oughs> <ๆ>จะไหมไม่เป็พระอหรหันต์เนี่ยไม่รู้จะทำไง พระอเนินก็าอาใสความอยากไม่ต้องทำอะไรน้อยจริงๆจะเป็นพระอรหันหเนาะในพรุ่งนี้มันมีชื่อเขาจะนับเขาอันดับแล้ว่ะจะประชุมสงทำสันยุนาตอนกลาคืนเราไม่นั่งก็ไม่ได้นอนนอนก็แล้วนั่งก็แล้วนี้ก็ทั้งอยากจะเป็นพระอรหันหนี่กล้องจะไมการพูดเหร อ, อทำในทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีแต่สัญญาอยางคิดไปทางนี้ ก็มีแต่ปัญญาอยากคิดจะมีแตปัญญาอยากทั้งนั้นลุม่มลอยเลยเลยคิดไปจนสว่างเล ย, ย เ, เราจะทาไงเอืมเพื่อนศาสตรทังนี้ทงไหนจะทํตั้งปีนาแล้วด้วยแตย่พระอาจารย์เท่านั้นเรายังเป็นพุทธชนจะทำไงเนาะทาเลยทำที่พระพุทธองค์ท่านแสดงธรรมไว้ที่เดนมาทุกอย่างในขัดข้องแต่เรายังเ็ การที่ดียดยัไม่ได้ยังไม่เป็นพระอดีตเจ้าไปทไํางไหนเนาะโดยคิดคิดว่าได้ไปตังค์ความเพียรมาตั้งแต่วันทำจนถึงวันนี้เนี่ยมันจะเหนื่อยไปมากแล้นะคิดนี่ยเลยคิดเนียแล้วจะพักผ่อนสักพักเนึ่งโดยเอาหมอนมาจะทําการพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนวางท่อคุรัหมดเท่านั้น จะพักคผ่อนทั น, นทีปุ๊บี้สายังมาตันถุงหมอนเลยพอเท้าค้นกันท่านี้ล่ะต้องนั่นขนาะกิจเดียแทนนะพอวางแเราจะทำหาความวางเท่านั้นเลยมันวางไได้ทํามาตลอดปีๆมันพอวางไม่ไ ด, แ ด, ววไได้แต่เวลานั้นพักผ่อนตั้งใจบ น, นโลกจะพักผ่อนไม่ต้องทําอะไรนะตั้งเจตีแล้วไปจะพักผ่อนพอรี้จิตมันวางทุกเลยในที่พักผ่อนนี่ย มันวางทอดผูลับตอนนั่นเองตอนพระอนุโมทัศนรู้ธรรมะตอนที่ว่าอยากจะเอางห้นเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นเออไม่มีเวลาที่จะพักผ่อไม่มีเวลาเจ ร, ริกัตถรู้ธรรมให้เข้าใจว่าการที่กัตถารูธ้ธรรมนั่นมันทอดในความปล่อยวางด้วยมีสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ไม่ใช่ว่าเราจรุ่ง ม, มันในมันเป็นอย่างนั้น ใจดีของเด็กไม่ใช่อย่างนั้นพอพักถอนพอวางพอกระทบตรงนั้นไม่มีอะไรเขามายุ่งตรงนั้นตรงที่ว่าพักถอนนั้นตรงนั้นไม่มีอะไรจะมายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งตรงนั้นเลยสงบตรงนั้นพอดีขนาจิตตรงนั้นพอคนดีได้ก็ฝากทบแต่เงินรวมกุกทบตรงนั้นอืถ้าอารมณ์เกลียดจะไม่รู้ตัวรู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นแ่านั้น แต่์ตามันรู้ตัวอยากจะทําให้มันตัก ร, รูป้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่นี่คือความอยากมันทับต่อไปงไม่เห็นนนะเี่ตรงนั้นแหละที่รายการจักรู้ธรรมะที่คนไม่รู้จักมันก็ทํายากเช่นว่าไอตรงนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของคนไอความนีโตกของพุทธเช้าจะได้ตกไปตรงนั้นทำไม่ได้เช่นว่าหนึ่งพื้นมันสองราคามัน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 ตรนี้คนไม่สนใจการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางนี้มันจะเกิดอะไรไหมเนี่ยอย่างนี้เมื่อขึ้นไปขังโง้โนเป็นพบก็อยู่ลงมาธานีเป็นภพก็อยู่ฉะนั้นคนมีแต่สุดประทุกใช่ไมขึ้นไปขั้ น, นบนถึงระดัสูงไดหน่อยสบายดวงมันกรตุ้ม คือมีเก็บแล้วเจ็บทุกข์มีแต่ทุกข์กระจุกมันจะวางให้มันเป็นปกติไม่ดีเพราะว่าที่ไม่มีภพเนี่ะที่ไม่มีภพเน่ยคนไม่สนใจแม่จะดิบตกอิดจะดิบตกไปก็ไม่ดิบตกไปในตรงเงินีไม่มีภพที่พระพุทธองค์ตรัสมาที่ไม่มีภพมีชาติอืคือไม่มีอุปาทานนั่นเองเนี่ยอุปทานจะเห็นในทุกเกิดอุปทานนั่นแหละ เราจะปล่อยอุปทานนั้นปล่อยไม่ได้เจเราอยากเจะสนุกนี่มันก็ไม่สนุกคนเราอยู่กับภพ้าเร า, ามีภพคิดนี่ได้ะคนนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นที่ดิของคนมันเป็นอย่างนั้นถ้ามิพานที่พระองค์ทถน่ า, นาพ้นจากภพชาติ ฟังไหมนะไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่บาพบใช่ถ้าไม่มีพบไม่มีที่อยู่ถ้าไม่มีที่อยู่เราฉันจะอยู่ยังไงนิ่งคนธรรมดาธรรมดาของเราแล้วนั่ น, น, นเองวะฉันจะอยู่ที่นี่ดีกว่าอยากจะเกิอดอีก แต่ก็ไม่อยากตายนี่มันขัดกันซะอย่างนี้แต่ฉันอยากเกิดอยู่เต่ฉันไม่อยากตายนี่มันพูดเอาคนคนเดียวนี่เห็นไหมตามภาษาคนเกคคคนนตช ฉ, ฉันอยากเกิดเต่ฉันไม่อยากตายมีไ้ยในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายเลยเองนี่แต่พูดตรงเว้ยแต่เขาพูดว่าฉันอยากเกิดเต่ฉันไม่อยากตายนี่ทําไม คิดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เขากงไปคิดให้มันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จากทุกข์เขาต้องคิดอย่างนั้นแ ก, ก่ชันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตายมีไหมพระพุทธองค์ถามว่าไอ้ตายมันมาจากความเกิดถ้าไม่อยากเกิดถ้าไม่ถ้ า, ไ ม, า, า, ยยาไม่อยากตา ย, ยอีกเกิดไม่อยากตายอยู่อยากอัวดีแต่ชันไม่อยากตาย พูดไปกิเลสตหาเนี่ยมันไปยากมันไปลำบากอย่างนั้นมันถึงมีการปล่อยวางในยากมีการปล่อยวางในได้อย่างนี้กิเลสตหาเนี่มันเป็นอย่างนั้นเจ้านั่นที่พระพุทธองค์ท่าตรัสเลยว่าไม่มีอย่างจงสาวนี้่แล้วอะไรไปกาะไม่มีที่เกาะไม่มีภพไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีภพบม่ีชาติเราฟังไม่ได้ อ, อจนกระทั่งท่านย่ำเข้าไปถึงตัวตัวนี้ว่าไม่มีตัวนี้ตนตัวตนนี้มันเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นมันจริงหรือมันเป็นจริงเลยสมมติถ้าพูดถึงมีมุดแต่ตัวตนนี้ไ ม, ม่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะกฏใจเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปสมมติว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตเนเกิดมา เมืเป็นสมมติเป็นตัวเป็นตนก็ยนเรืองตัวเรื่งตนนั้นเองเดยเป็นคนมีตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้าไม่มีตนของตนก็มีถ้ามีตนมันก็มีสุขมีทุกข้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันมาถึงนั้นเราไม่รู้เรื่องแค่คนเราเพียงแว่าอยากเจอเพียง่อยากต า, าย พูถึงเรื่องกระแสภายในพานแล้วนะถ้ามารู้โดยปัจจตังแล้วกม็มีใครที่อยากจะปรารถนาอะไรถึงภายใิพานนี้ก็ไม่ใช้เรื่องปรารถนาอีกว่าไม่มีเรื่องปารถนาปรารถนาไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้นั่นเป็นลักษณะที่เราเข้าใจยากแต่ว่าอย่างเรื่องความฟ้านะจะเข้าใจในเรื่องภายในพาน จะพูดให้อุตส่าห์ฟังก็ไม่เข้าใจมั้งไงไม่รู้เรื่องได้ยินจะโหยที่สวยไม่เข้าใจอ่า ม, มันไม่เข้าใจก็เพราะทำมา น, นี่นะถ้าให้แบง่งกันได้อย่างไงมันก็สบายเลยมันก็สบายนแต่พ่อแม่ของเราเน่ะก็อยากจะให้ก็ยังไม่รู้เรื่องพก็ทํามานี่มันเป็นอะไรมันเป็นตัดจัดตั้งมันดูเฉพาะตัวของเราเอง บอกคนอื่นได้แต่ปัญหาอยู่ว่าไอ้คนอื่นจะรู้ไหมนะั่นถ้าคนอื่นที่ทำความรู้ไม่มีในใจแล้วจะไม่รู้ไม่ได้นี่นี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงเป็นตัดว่ากตาโลสถากตาถ้ากตาโคตเป็นแต่ผู้บอกนะก็ เ, เหมือนกันกับเราทุกวันนี่แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทําให้แบอบกแล้วเอาไปทํา จังหวะมันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจเจกตังเลจิตาภู ว, วิญญูบินชูวิญญูจนรู้เฉพาะตัวเองเะงั้นอย่างพูดตอนนี้จะมาเชื่ออัตมานั้นกนะ <c oughs> ็ยังไม่ใช่ของดีนะไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ของแท้ มันเชื่อขลุ่นความที่เชื่อขลุ่นอยู่พระพุทธองค์เนี่ยยังโง่อยู่ยังโง่อยู่อย่างนั้นพระพุทธองค์อยากให้รับรู้ไว้แบบไปพจิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองอาวีธมันจริงเป็นปัจจัยต่างอย่างนั้นพจิจารณาการต้องทำก็ทางความปัจจยว่าไม่ปฏิเสธรักฟังไม่เพื่อพจิจารณา ไม่เชื่อต่ไหนวะเชื่อต่อไหนวะวางไว้มาจะดูดูในเสดจปัญญาดูในเสดจปัญญาถ้าอะไรทุกอยา่างถ้าไม่มีเหตผมเพียงพอในใจท่านเราเองท่านก็ยังต่อไว้ต่อไว้ดูว่า สองข้างนี่ข้างนี่ก็ข้างนีสองข้างคนเราเน่ะมันจะแอบเดินไปข้างนี้แอบเดินไปข้างนี้เดินไปกลางๆแล้วไม่เคยเดินมันเป็นทางเปลียวอืมเดี่ยวๆรักก็ไปทางรักช่างก็ไปทางชาง จะปล่อยการรักการชังนี่ไปตรงนี้มันเป็นทางเกลี่ยวมันไม่ยอมไปตามมาตุคานิการโยโคอัตรระตะยิราบทายโยโคเมื่อพระองค์กระตุ้นธรรมะทันแพ้เป็นพระมเทศนาอะไรตรงนี้อทางนี้มันเป็นทางสุขของกามทางนี้มันเป็นทางทุก สองอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่สงบแต่ท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมัมเนอสมเนธนีค่คือความสงบคือความสงบจากจุดทุกข์ไม่ใช่มีคนสุขมันสงบไม่ใช่มีความทุกข์มันสงบต้องปราศ จ, จากสุขหรือทุกข์มันจริงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทำเนยมันมีความสุขใจได้ส่วนอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะ เออมันสุขกว่ามีทุกขต่อไปต้องระวังสุขหรือทุกข์ในสองข้างความทุกข์คือเด็กตาเดินเดินผ่านกลางเรากระมองดูสุขกว่าเห็นทุกขกว่าเห็นแต่เราไม่ไม่ปราศรานะอะไรแตงเดินไปเรื่อยไปเราไม่ต้องการสุขเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องการความสงบดังนั้จิตใจเราไม่ต้องแด้งจะหาความสุขไม่หาท้องทุกข์ก็เดินดีื่อยู่ เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมัชมีหูแปดส ม, มาสิติความเมตตชอบเกิดขึ้นแล้วสัมมาสิติความเมตตชอบไอความดับดีมันก็ชอบความมีตัววิจาร์มันชอบเท่านั้นอันนี้เป็นสัมมามัมเป็นมัชกปฏิปทาแหละท่านจะทําอย่างนั้นในเกิดอย่างนั้นทีนี้ไม่ราอดีสางจะน่าแปลกคิดดูทีธรรมะกําหนด ก็ท่านต้องการคปล่อยวางไอ้ความปล่อยวางจะเกิดขึ้นเนีมันมต้องรู้ตามความเป็นจริงมันถึงปล่อยวางได้อืมถ้าความรู้มันเกิดจางความเป็นจริงแล้วก็่จะมีการอดทน ม, มีการปฏิบัติธรรมมีการอดทน ม, มีการพยายามมีการปฏิบัติอยู่มันต้องใช้ทุ่มอยู่เสมอทีเดียวเดียว่ะเราจะต้องปฏิบัติธรรมะ ว่ามันหมดแล้วกสวเลยธรรมะมันก็ไม่ไม่ไม่ไมเอาไปใช้ไม่เอาไปใชย้ยังเรื่อยครั้งเนี้ยคมมันเขาทำดีดรื่อยเข า, นะขาตัดไม้นะเขาตัดไม้ตัดไม้เ้ว่อยตัดที่เรื่อไม้เขาตัดหมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเรื่อยเอาวางังเฉยๆใช่ไหมไม่ต้องเอไาไ่ใช้ดีกรื่อยคือธรรมะธรรมะจะเอาสัมฤทิ์ก็ปฏิบัติเพื่อใหบ้บรรลุมรรคผล ชาจะมันเสร็จแล้วเป็นต้นธรรมะผมมีอยู่วางไว้เหมือนกรเรือเขาตัดไม้ถ้านี้ก็ตดัดท่านนี้ ต, ตัดเสร็จแล้วเรื่อยเอาทาไมวางไว้นีอย่างนั้นเรื่อยมันก็เป็นเลื่อยไมย้มันก็เป็นไม้ม น, น, ไมนี่ดีว่าหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สาคัญแล้นน่นี่ฮีนาสโวสิ้นสิ้นการตาดัดไม้ให้ต้องตัดไม้ ตัดพอแล้วเขาเรียกว่วางไว้แต่ในอย่างนี้นี่คือใครต้องประกอบการพูดปฏิบัติบบตองอาใัยธรรมะอยู่ไอคนนั้นยังไม่จบถ้าหากพอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอนมันไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องทําอะไรมันปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอั่านั้นถ้าเอาควมริษม์มนไหมายมัดเนี่ยจะทําอะไรมันเนี่ยสงบแล้วตรนั้นก็สงบแล้ว จมแล้วอืมนี่เราก็ทาไปจนแม่ต้องใส่อะไรนี่เป็นยังไงน่าอือมันยูไกลเกินไปอุษาหี่ยูไกลมากที่งเรยยังเป็นเด็กๆอยู่นะยังเป็เด็กอุ้มมอยู่นั่นนะ้เโง่ใจไม่เอาอะไรเงี้ย่ะอือมันเป็นทุกข์อ่ะอต้องรูดูความดูออกจากจิตใจของราดูปล่อยดูไปเนี่ยดูาอะไรเกิดขึ้นมาฮู้อันนี้ไม่แน่ นี่ไม่จริงอันนี้ไม่จริงนวีอันนี้ก็เอออันนี้ก็ไม่จริงมันต้านแต่ความจริงมันอยู่ตรงไหนไ อ, อ้ความจริงของมันเป็นเพราะมันเปลีป่ยนนั่นแหละนั่นไม่ใช่อันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เปน็นนั้นไม่ใช่เป็นอยู่อย่างไรวางความสงบเกิดขึ้นได้อย่างนี้เราข้ามไปข้ามม า, ข, าข้ามไปทำเมื่อไม่รู้เรื่องก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาหายสงสัยแต่ที่นี้นอย่าไปสงสัยมันเลยโลกนั้นนะ อยากจะติดรูปหลายพหแล้วลายอย่างนนเนี้ยที่ไายที่ได้เงินค่าเครื่องบินเขาบินมาไกลเลยยังมาสงสัยอยู่ตรงเงี้ยไม่เอาละเราที่ได้ค่าเครื่องบินเราเราเราล่างเครื่องบินมาสงสัยอยู่ในเมืองไทยเป็นทุกข์ด้วยเงินเด้ออ่ะขอค่าเคาื่องบิน กบคือจะให้จะาของไปนะ